รักษาด้วยทุตบริสัตย์หลายมาตอนที่ <c oughs> 2 <c oughs>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 ต้องไปให้ไกลกว่านั้นให้หมายความไม่ต้องการพบคนถ้า ว่าท่านขอต่อว่าคุยไม่มากคุยคนเดียวแล้วคุยตามความเป็นจริงความธรรมกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนหลัง ท่านก็ทําเป็นปกติถ้าเป็นคณะไม่ใช่คณะมีองค์เดียวมีอาจารย์สําราญ door hij mee te geven, maar. Teng dan weer niemand wat, die die man, die je, ถ้าวันไหนถ้าจิตใจของเราเลวจิตใจเข้าไปยุ่งกับโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแค่อารมณ์ ik heb een paar handelingen met een denturdoon. Ik heb een paar handelingen met een denturdoon. Ik heb een paar handelingen met een denturdoon. Ik heb een auto, ik heb een paar handelingen met een handelingen met een handelingen met พระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สงัดซึ่งพราหมณ์เคยถาม <c oughs> จึงอยู่ในบ้านในเมืองก็สงัดเพราะ พอเราก็ไปกว่าสถานที่แต่สถานที่ไม่ต้องทําอะไร <c oughs> <neo iz. c oughs> มีเกิดสมบัติมีเพียงเท่านี้ไอ้กายก็ <c oughs> เป็นพอตื่นขึ้นเช้าขึ้นมาบรรดาพระพุทธบริษัทตั้งใจจะออกบิณฑบาตตามแบบฉบับเดิมก็ <c oughs> ถ้าแต่ไหนอาจะสงใส่ไว้อยู่ในธรรมมีติ 4 สมาบัติแปลกกันไปเลยจิตจะเป็นสูงร่าง ถ้าถามว่าสมาบัติ 8 ทําก็ตอบว่าไปขอกันแต่ว่าชั้นสมาบัติ 8, 8 8 ก็คือ gaan bung duwakad. Tijdens dit moment bung duw wapen, geest en geestje jacht op wapen, dit moment, welecht jacht op wapen, jacht op de lucht, jacht op de lucht, jacht op de lucht, jacht op de lucht, jacht op de lucht, jacht op Dan heb je Dan een hoop hoogdjai. Hoogdjai, je Ik een hoop hoogdjai. Ik heb een hoop hoogdjai. een een een een มีหมู่บ้านเต็มไปหมดประมาณ 100 ว่าวันนี้เรามาไม่มีบ้านมันเป็นป่าเปลี่ยวแต่บ้านพวกนี้ยกๆก็เกิดจะคนส่ององก็บอกว่าเอานี้ดีกว่าลําพังกําลังใจของเรามันดีไม่พอดีไม่ดีจะเป็นอุปาทาน ก็นึกถึงพระอินทรกะอินทร์อินทรกะเค้าก็มาถาม <c oughs> พอท่านพูดอย่างนี้ก็นึกได้ว่าอ๋อต้องเป็นเทวดาแปลงแน่เราเกิดไปถูกตนในคําจริงเทวดาเริ่มตนแล้วนักทูต ในฐานะที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ ที่บ้านที่มาตั้งนี่ 2 ขออภัยเป็นคน 2 พวกพวกหนึ่งเป็นพรหม แล้วก็มองป่ามันมีทางเดินทางสะอาดก็เดินเข้าไปตอนนั้นอินทกาลก็หายไปแล้วท่านบอกเสร็จตั้งก็หายไปก็เดินไปตามทางก็มีชาวบ้านเรียกวกเวกๆพวกเราเอ้ยเวลานี้พระธรรมโปรด <c oughs> เส้นตามธรรมดาแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเดินมาค่อยๆเดินมาหรือวิ่งมาก็ได้สิงห์มเหศจะ เพราะวนน่ะขึ้นมายกมือไหว้พอพวกผมว่าบอกว่าพวกผมเป็นชาวป่าครับ 8 พอบอกรักษาศีล 8 ก็ตกใจแค่รักษาศีล 5 ก็ตกใจ ท่านได้ทรงถิ่น 8 บริสุทธิ์นี้ต้องเป็นพระอนาคามีนี่ตามแบบฉบับนะตนน่ะท่านพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของท่านตนึกว่าท่านโหดนี้ไม่ใช่น้อยในเมื่อท่านบอกว่าท่านทรงถิ่น <c oughs> 5 กันบ้างทรงถิ่นไปบ้างการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังไม่มีงั้นการใส่บาตรของท่าน ไม่มีต้มไม่มีแกงมีแต่ข้าวๆกินได้กินอร่อยๆพอกินยังไปได้อยู่กันแบบนี้มาไม่อยากกินผลไม้ก็กินผลไม้ใคร เมื่อท่านอธิบายอย่างนั้นก็เดินเข้าจริงๆนะบาทลูกเล็กนิดเดียวคนเป็น 100 คนนี่ใส่บาทเล็กๆ maar we hebben geen kringbart, ik hou je geen de ik ik ขณะที่ใจนึกถึงอาหาริเปตุกกสัญญาธนฎาก็ยกมือ ญาณบรรดาพวกผมเห็นท่านมาว่าหมู่บ้านของโยมเดิมอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าทุกคนแยกกันอยู่ครับท่านมาพักก็เลยพร้อมใจกันยกบ้าน <c oughs> Ik heb een Ik heb een wacht. Ik een een een een ก็คิดในใจว่าท่านพวกนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นโยม ik heb het gevoel dat Ik ben het gevoel dat ze niet meer Ik heb het niet meer in de buurt zijn. Ik heb het de ในเวลากลางคืนเวลา 2 ประมาณ 2:00 น. หลังจะเลิกกรรมฐานแล้วก็มีเทวดามาชุบนำกันเคยบางท่านบอกว่าในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็เลิกแต่งตัวเป็น เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวที่ผิวพรรณดีกว่าเดิมสมีเสนาบดีออกถ้าใส่หมวกก็ ถามท่านว่าท่านต้องการจะฟังเทศน์อะไรท่านบอกอริยสัจก็เลยเทศน์อริยสัจให้ท่านฟังตามนี้เขาจะพึงเข้าใจพอฟังจบท่านก็สาธุกันแล้วท่าน อำนาจของเทวดาที่ถามว่าในเมื่อท่านเป็นเทวดาแล้วบ้านไปวิมานมั้ยก็บอกบ้านตามเดิมคนเลิกหลอกเทวดาเลิกหลอกแต่บ้านของเทวดา ก็จะ เพราะเป็นอบัติการทุดงแบบอคติอย่างนี้จะต้องไม่ประสงค์ในราภเพราะพระทุดงทั้งองค์ก็ต้องไม่ประสงค์ เมื่อความโลภเกิดขึ้นมาแล้วความรักมันก็มีก็ความรักในทองมีขึ้นความ <c oughs> มีบางคือแร่ที่มีความสําคัญก็ไม่เป็นแร่เงินแร่ทองครับท่านเปิดโอ้โหทองคํา จะมองเป็นถ้ำบรรดาก็เป็นภูเขาปิดคำบอก คณะของท่านนี่กระทับให้ยังไม่รับ <c oughs> จะอยู่แถวใกล้ๆแบบนี้จนใกล้ๆบ้านโยมถึงบอกก็ดีสิครับก็นึกถึงพระอินทรากาศ <c oughs> พอสั่งคํามฤบ้านบ้านหายเลยจะขอให้แสดงบ้าน ผู้ที่รักษาศีล 5 คือพระท่านอินทกะก็บอกว่าท่านทั้งหมดที่มาเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดที่มา 7 วันเรากินข้าวของพระต้องลงนรก ออคิดในใจเพียงเท่านี้ท่านเจ้าของคณะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับจิตใจของมนุษย์เป็นของธรรมดามันก็ดี นิยามมันก็กลใจเพียงนั้นเป็นของธรรมดาแต่จงอย่าถึงว่าอย่าสนใจกับราคะความรักโลภะความโลบโทสะของโลภะโมหะความหลงถ้าสนใจเมื่อไหร่เทวดาทั้งหมด <c oughs> <c oughs> คำรายละเอียดที่หมายความว่าอนาเป็นอนาคามีแบบละเอียดก็ ในจักรวาลนี้ทั้งหมดคณะผมจะไปใส่บาตรที่นั่นท่านไม่ต้องรู้อดเว้นไว้ สวัสดีสวัสดีไม่ 45 ไปเจอพระอริยเจ้าเข้าถ้าพระอริยเจ้า เมื่อเดินทางออกมาจะท่านลาท่านมาแล้วก็มนึกมาปรึกษากับพวกเราพวกพวกเราต้องระวังตัวให้มากนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น <c oughs> แต่โดยย่ออย่างยิ่งเทวตา ก็มีพร้อมแล้วคือปรารถนาพุทธภูมิก็จริงแหละ มีทานน้ําใสหลายสะอาดหน้าธรรมเตียนกว่าโล่งบริเวณต้นไม้พุ่ม ว่าที่ตรงนี้ก็มีความสําคัญมากเพราะว่าที่ตรงนี้แหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีทรัพย์ ก็บอกว่าเป็นก็ดูก็ เมื่อเวลาพอผลจงมีแด่บรรดา